เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่เจ็ดวันที่หนึ่งถึง6การยอมรับความจริงแบบไม่แทรกแซงย้อนกลับไปอ่านบันทึกในช่วงเดือนแรกแกเห็นตัวเองใช้สติตามรู้ลมหายใจเข้าออกทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเข้าหรือออกไม่ว่าจะยาวหรือสั้นกระทั่งเกิดสภาพจิตผู้รู้ลมทั้งปวงซึ่งณจุดนั้นเมื่อถูกอารมณ์ภายนอกกระทบจนเกิดราคาหนัก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 ฉันตรหนักว่าความเคยชินย่อมเกิดจากความสั่งสมการสั่งสมนิสัยในการเห็นลมหายใจโดยความไม่เที่ยงเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวที่ให้อานิสง์ัยสารประมาณไม่ถูกจริงๆลมหายใจที่ละเอียดแล้วย่อมปรุงแต่งกายให้แข็งแรงสติที่ตั้งมั่นรู้ลมได้หลายนาทีโดยปราศจากช่วงสะดุดย่อมปรุงแต่งจิตให้สงบระงับอิ่มเต็มอยู่กับภาวะอันเป็นปัจจุบัน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 ช่วงแรกที่เริ่มปลงใจเจริญสติปัฏฐานจริงจังรู้ได้วันหนึ่งหนึ่งรวมแล้วสองสามนาทีแต่เมื่อเพียรพยายามไม่ลดละภายในอาทิตย์เดียวกระโดดขึ้นมาเป็นวันหนึ่ ง, งรวมแล้วเกินชั่วโมงถัดจากนั้นแม้มีช่วงล้มลุกคลุกคลานบ้างก็พัฒนาขึ้นตามลำดับกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้กล้าพูดว่าแต่ละนาทีรู้หลายครั้งแม้จะทากิจธุระทางโลก ต้องคิดต้องเขียนต้องเจรจาสติก็มักย้อนกลับมารู้ลมหายใจเสมอเสมอถ้าหากคิดเร่งรัดจะทำอย่างนี้ให้ได้ภายในวันสองวันย่อมเป็นความโลภเกินตัวที่สูญเปล่าแต่หากทำเรื่อยๆด้วยความใจเย็นไม่ลังเลไม่จับจดไม่เหลาะละขอแค่ได้ชื่อว่าระลึกรู้เสมอเสม อ, สมอด้วยความเพียรไม่เลงโลภอยากได้อะไรไม่ทุกใจกับความเป็นไปต่างๆ ตามแนวที่พระพุทธองค์ประธานไว้ในมหาสติประธานสูตรทำเรื่อยๆผ่านวันผ่านเดือนพอสำรวจอีกทีก็จะพบว่าสติสมบูรณ์ขึ้นแล้ว<ส>เมื่อจิตมีปกตินิ่งรู้อยู่กับลมหายใจและอิริยาบถโดยมากเห็นความว่างกว้างใหญ่ในภายในปรากฏเสมอๆมีเพียงผัสสะอันละเอียดอ่อนเช่นความคิดผุดขึ้นกระทบใจ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 ปกติสมัยก่อนถ้าตกใจขนาดนี้จะนึกด่าในใจแบบไม่เลือกหน้าอินหน้าพรมหรือถ้าถนัดหน่อยก็อาจลดกระจกลงยื่นหน้าไปให้ศีลให้พรสักคำสองคำเป็นการระบายความอัดอั้นจากนั้นจึงค่อยกลับมาสงบสติกำหนดรู้ว่าภาวะนี้โกรธนะมีความร้อนกลางอกนะมีความทึบแน่นในหัวนะแต่เดียเ๋ยวนี้ฉันแค่รู้สึกถึงอาการไหลวูบอย่างแรงของจิต